สองเดินมุดกันไปอย่างเงียบๆโดยไม่เอ่ยคำใดกันอีกเลยนอกจากจะใช้สายตาและประสาทสัมผัสตรวจสอบตามแนวทางที่ผ่านไปทุกระยะแล้วก็มาสะดุดยืนพิจารณากันอยู่ตามแง่หินเป็นชั้นๆเหมือนบันไดที่มองเห็นกันอย่างชัดเจนแล้วว่าเส้นทางต่อไปจะต้องปีนสูงขึ้นในระดับมุมไม่น้อยกว่า45องศา แต่ก็ไม่น่าจะยากเย็นหรือเสียงอันตรายมากนักเพราะมีคันพักให้อาศัยไต่ขึ้นไปทุกระยะพปดานเบื้องบนก็เป็นเวิงสูงโปร่งขึ้นไปทุกทีณนะตำแหน่งนี้เองที่มองเห็นช่องทางเดินแยกไปทั้งด้านซ้ายและขวาเป็นช่องทางกว้างขวางน่าจะเดินเข้าไปได้สะดวกสบายเช่นกันนอกเหนือจากแนวทางที่จะต้องไต่ขึ้นสูง เชือดวุชูคบเคมีขนาดจิ๋วที่แสงเริ่มจะรีน้อยลงเหลือเพียงครึ่งเดียวอยู่เหนือเสียสีเพื่อจะตรวจบริเวณให้เห็นโดยรอบทั้งเขาและคริสติน่ามาหยุดยืนอยู่เคียงคู่กันเหงื่อเริ่มซึมด้วยกันทั้งคู่เพราะการออกกำลังกันมาอย่างหนักตลอดเวลาที่ไม่ได้หยุดกันเลยเชือดวุดวางไรเฟิลพิงโคตินใกล้ๆ ก, ก้อนหนึ่งไว้ชั่วคราว ไล่แขนเสื้อข้างนั้นขึ้นเช็ดเหงื่อบนหน้าผากชะตงเตงเอ้ยวาชะตองแตงขุนทางสามแพร่งเราจะไปทางไหนดีเขาร้องขึ้นมาเฉยๆคริสติน่าพุ่งเงียบมาตลอดและยืนหอบอกกระเพื่อมอยู่หันมามองหนะ้าว๊อดว๊อดหยุเซนายทหารหนุ่มหัวเราะเบาๆเปล่าหรอกคริส ผมก็ร้องเพลงอะไรเล่นไปงั้นแหละคุณคงงงเหมือนผมอยู่ขณะนี้ใช่ไหมละ่ะซ้ายมือนี่มีอยู่ทางหนึ่งขวามือก็เป็นปากตาวาันอยู่อีกทางหนึ่งส่วนด้านบนก็ยังมีทางที่จะปีนขึ้นเข้าไปในถ้าขึ้นไปได้เรื่อยๆเออปัญหามันก็อยู่ที่ว่าหนทางสามทางนี่เราจะเลือกไปทางไหนอเมริกันสาวผมทองเอาหลังของนิวชี ขยี้ปลายจมูกเบาๆริตาสำรวจไปรอบๆ อ, อ, อย่างตัดสินใจไม่ถูกเหมือนกันก็ทั้งใดทั้งหนึ่งหรืออาจจะทุกทางนั่นแหละคุณที่จะนําเราไปสู่โลกภายนอกได้เพียงแต่ว่าถ้าตัดสินใจผิดบางทีก็อาจจะช้าไปบ้างใช่ทางออกมันมีแน่ๆอย่างไม่ต้องสงสยัยละเพียงแต่ทิศทางไหนจะสะดวกและรวดเร็วที่สุดเท่านั้น ผมให้คุณเลือกก่อนเอาซ้ายเอาขวาหรือปีนขึ้นบนดินี่วต์เราจับไม้สั้นไม้ยาวกันอีกดีไหมหล่อนเอียงคอนิดนึงถามเรียบเรียบแต่ประโยคในรูปสัพพโยกนายทหารหนุ่มหัวเราะ อ, อีกสั่นหัวโอ้ยาดีกว่าผมเข็ดแล้วนี่ไม่เพราะการจับไม้สั้นไม้ยาวกันหรอกแล้วคุณ เราถึงทำท่าจะมาตายอยู่ด้วยกันในนรกใต้ภูเขานี่และที่สําคัญที่สุดตอนเนี้เราก็ไม่รู้จะไปหาไม้ที่ไหนมาหักเสียงทายมีแต่ก้อนหินหนั่งนั่นเลยหล่อนยิ้มกับเขามันไม่ใช่เพราะไม้สั้นหรือไม้ยาวที่จับเพื่อแยกพวกเสียงทายนั่นหรอกเหรอที่ทําให้คุณกระชั้นมาติดอยู่ในนี้ถ้ามันจะเกิดขึ้นก็คงเป็นเพราะคุณร้องเพลงไอ้เนื้อร้องนั่นจะมากกว่า ทะลึ่งโลนอุบาทแต่ก็น่ารักเชิดพุธหัวรอ ก, กากนี่คุณสบานตอนนี้จะไม่ทะลึง่งจะไม่โลนหรือทำอะไรอุบาทอย่างที่คุณว่าอีกละอะเลดี้เฟิร์สเลือกได้ซ้ายขวาหรือว่าบนนีุ่ธคุณก็เป็นผู้นำมาโดยตลอดแล้วน่ะเป็นผู้ตีรหัส ความหมายอันลี้ลับนี้ได้ถูกจนกระทั่งมาบนเส้นทางอันน่าจะเชื่อว่านำเราไปสู่โลกภายนอกนี่ได้เพราะฉะนั้นคุณนั่นแหละเป็นคนเลือกงั้นเ่ะอถ้างั้นก็พักขาสูบบุรี่กันคนละตัวก่อนไป็ไงคุณว่าแล้วเชิดบุตรก็เป่าลมพลูออกจากปากย่อนกายลงนั่งตะโกดขินก้อนหนึ่งตำแหน่งเดียวกับที่เขาพิงไรเฟิลไว ดึงแม่เพื่อนร่วมตายให้นั่งลงด้วยหล่อนไม่ขัดขืนเพราะรู้สึกเหน็ดเหนื่อยอ่อนเปลี่ยอยู่ไม่น้อยเหมือนกันในการเดินคุ้มตัวไตาทางในระดับสูงขึ้นมาเรื่อยๆอย่างนั้นทั้งสองเปิดกระติกน้ำใบเดียวกันแบ่งกันดื่มและจุดบุหรี่สูบคนละตัวในลักษณะนั่งพักเชิดวุฒเอาคบเคมีเสียบไว้ในซอกหินใกล้ๆ เพื่อมันเป็นตะเกียงสองตามเชื้อที่ยังมีเหลืออยู่นั้นทั้งสองนั่งชิดในลักษณะไหลพิงไหลตะโพกเบียดตะโพกเขาเอื้อมแขนไปคล้องกอดเอวหล่อนไว้พยายามดึงให้แนบชิดกายเข้ามาอีกส่วนคริสติน่านั่งก้มในลักษณะศอกทั้งสองเท้าอยู่บนเขา่าอัดบุรีหนักน่วงอาการคลื่นคิดไร้ลา เขาเอาริมฝีปากแตะที่ใบหูของหลอนแล้วกระซิบเรียกโดยไม่หันมามองหรือมีปฏิกิริยาใดๆทั้งสิ้นนอกจากกม้มลงมองดูบุรีในมือเฉยหลอนบอกเสียงแผ่วว่านี่คุณเรียกฉันอย่างที่คุณเคยเรียกดีกว่าทำไมอะคุณ ฉันอยากจะลืมชื่อเดิมตลอดจนอดเดิมเดิมๆของฉันเสียหมดชิ้นแล้วอดีตของคุณเป็นไงฉันลืมไปหมดแล้วละ่ะไลลาอามิเตชดวุฒิพึมพัมรู้สึกมีความสุขอยู่ในส่วนลึกอืมเป็นชื่อที่แปลกเศร้ามันโรแมนติกระควลลึกลับ น่ากลัวยังไงพิกลผมไม่เคยได้ยินผู้หญิงอเมริกันคนไหนชื่ออย่างงี้มาก่อนฮะก็ใครว่าฉันเป็นอเมริกันแท้ล่ะคุณแล้วคุณเป็นอะไรกันแน่จะรู้เลยถึงรู้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรเตือีกครั้งนะว่าคุณอย่ามาสนใจหรือฝากไฟทุ่มเทอะไรกับฉันนะชีวิตฉันนะมันไม่มีค่าอะไรสําหรับใครหรอกแล้วก็กรุณาร์ด จะสอบสักถามอะไรในเรื่องส่วนตัวใช่ลหฉันขอร้องตกลงครับผมจะไม่ขัดใจคุณนะเมื่อคืนนี้ผมมีความสุขที่สุดคุณเป็นสิ่งมหัศจรรย์สำหรับผมคริสหลอนปลายหางตาดูเขาเหมือนกับที่คุณมีกระเบนไหมเชิดบุตรถอนใจเฮือกพูดออกมาจากความรู้สึกแท้จริง มีคริสคราวนี้ผมขอร้องคุณมั่งนะกรุณาอย่าเอ่ยถึงเบนกับผมในสภาพเช่นนั้นเลยผมสนุกสนานกับเบลเหมือนเพื่อนร่วม ง, งานคนหนึ่งแต่กับคุณน่ะผมหลงคุณผมรักคุณคุณได้ยินไหมใจผมต้องย้ำสักกี่ครั้งละ่ะคุณถึงจะมองเห็นคุณค่าในน้ำใจของผมข้อนี้ย ฉันก็สนองตอบคุณไปแล้วอย่างเต็มใจที่สุดไม่ใช่เหรอบุตรแต่คุณก็ไม่รักผมหล่อนเงียบไปนานคลึงบุหรี่ในมือและมองดูมันอย่างปราศจากความหมายเช่นนั้นบุตรฉันพ้นวัยที่จะพูดฟังหรือคิดถึงคำนี้มานานแล้วคำพูดเนิบเนื่อของหล่อนชะงักกึกลงเพียงแค่นั้น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 เรียกติดพื้นออกมาอย่างเงียบกริบเกร็ดบนลำตัวอวบขนาดนองของผู้หญิงกระทบแสงไฟเป็นมันปราบพร้อมกับลิ้นสองแฉกสีแดงที่พุ่งออกมาแปรปลั บ, ลบสีขาวรูปเกือกมาที่อยู่บนต้นคอตัดกับความดำสนิทของสีตัวและสีพื้นหินมองเห็นถนดัดจงอ่างขนาดเรื่องชนิดกัดช้างลมลำตัวส่วนหนึ่ง ยังเลี้ยวรถบังหายอยู่ในหมู่หินด้านหน้าแต่ส่วนหัวบัตรนี้ชงอกชูสูงขึ้นทีละน้อยทีละน้อยจากคือเป็นศอกจากศอกกลายเป็นร่วมมิดและบัตรนี้มันสูงในระดับเดียวกับใบหน้าของบุคคลทั้งสองที่นั่งตะลึงมองอยู่หนังที่ลำคอแผ่นแบนกว้า ง, างขนาดสองฝ่ามือ ก็รอเพียงแต่ว่ามันจะฟาดหัวฉกลงมาเมื่อไหรเท่านั้นเพราะระยะแค่นั้นขวาดเดียวก็ถึงตัวหมดหนทางที่จะบ่ายเบียงขยับขยืขย่นใดๆไ ด, ได้ทั้งสิน้นทั้งสองนิ่งราวกะหินอันเป็นส่วนประกอบแวดล้อมอยู่รอบด้านพญาจงอ่างก็คงชูคอสูงขึ้นมาจากพื้นประมาณหนึ่งเมตรอยู่เช่นนั้น ลินที่พุ่งเร็วออกจากปากเป็นการสำรวจกลิน่นรือตรวจค้นหาสิ่งแปลกปลอมนั่นเองตามหลักธรรมชาติวิสัยของงูแล้วเริ่มสายไปมาแช่มช้าอย่างหน้าวาดเสียวสุดขีดว่ามันจะพุ่งเข้าใส่ในพิตาก็ได้จากระยะใกล้แค่เอื้อมนั้นแต่มันก็ยังไม่ฟาดหัวฉกหรือพุ่งเข้ามาภาวะเช่นนี้ นานสักเท่าใดทั้งเชิดวุธและคริสติน่าคำนวณเวลาไม่ถูกแต่รู้สึกเหมือนถูกกดจมดิ่งอยู่ในนรกร้อยปีก็ไม่ปานต่อมาเชิดวุตรรู้สึกว่าคริสตยากค่อยๆหดมืออย่างแช่มช้าแผ่วเบาที่สุดออกจากการวางบนเข่าของเขาแล้วพยายามสอดล้วงเข้าไปในอกเสื้อที่มีซองปืนสั้นจุดสหเแม็กสะพายอยู่ เชิดมุดคว้าข้อมือข้างนั้นของหลอนมัดอย่างทันการก่อนที่หลอนจะดึงปืนออกมาหยุดไว้แน่นแต่ไม่ทำเสียงใดๆทั้งสินงส้นหลอนชะงักเพราะการ ข, ข, ขัดขวางของเขา<ค><ย>แล้วก็ลืมตาโพลงใจตกไปอยู่ที่ปลายเท้าเผชิญหน้ากับพญาอสอรพิตรายโดยนั่งนิ่งอยู่ตามเดิมเจ้ากับเรา มีเลือดเนื้อและชีวิตเช่นเดียวกันเชิดบุญนึกภาวนาแผ่เมตตาให้อยู่ในใจภายหลังจักคุมสติมั่นขออย่าให้มีเวรภัยเบียดเบียนใดๆต่อกันเลยนะโมพุทธายะนะ ร่ำภาวนาออกไปเช่นนั้นแต่ดวงจิตเที่ยง ม, มั่นอึ้ใจต่อมาจงอ่างไรที่ชูหัวรอ่อนราเมี่การเหมือนเตรียมโจมตีค่อยๆลดชวนศีรษะลงทีละน้อยทีละน้อยในที่สุดก็เหลือเพียงแค่คืบเดียวเหมือนอย่างที่เลื้อยออกมาในครั้งแรก จากนั้นก็เริ่มแวงลำตัวเลื้อยผลักจากบุคคลทั้งสองอย่างไม่สนใจอะไรด้วยอีกเหมือนกับว่ามันจะเห็นเป็นก้อนหินธรรมดาแล้วเคลื่อนลำตัวอันยาวเหยียดม้วนกลับเลื้ยด้วยอาการปกติธรรมดาที่สุดบ่ายหน้าขึ้นไปตามขั้นของหินนำสู่ด้านสูงชั้นบนที่แลเห็นเหมือนขั้นบันไดขึ้นไปกระทั่ง หนที่สุดความยาวประมาณ 3-4 มสี่วาของมันก็ลับหายขึ้นไปบนนั้นคริสตินามีอาการเหมือนจะหัวใจวายมืออ่อนตีนอ่อนไปหมดหลับตาทั้งสองลงพลางกระเดือกน้ำลายลงคอฝืดฝืดส่วนเชิดวุฒสูดหายใจลึกเต็มเปี่ยมไปด้วยความปลาโมดและมีกำลังใจเชื่อมั่นเต็มที่ คริสคริสเขาเขย่าตัวหลอนเบาๆเหมือนจะปลุกเตือนสติแม่สาวผมทองเอาศีสะวางลงกระไหลเขาพระเจ้าฉันคิดว่าเมื่อกี้น่ะเสร็จแล้วเสร็จแน่ๆโอ้ยหัวใจแทบหยุดเต้นผมบอกคุณแล้วใช่ไหมว่าไม่ว่าจะเห็นอะไรภายในถ้ำ น, นี้ และไม่ว่าจะดูว่ามีอันตรายสักเพียงไหนก็ตามอย่าได้คิดทำร้ายเขาก่อนเป็นอันขาดเห็นไหมคริสในที่สุดเขาก็ไม่เป็นภัยใดๆกับเราเลยมีหนาซ้าเขายังเลื้อยขึ้นไปบนขั้นหินนั่นเป็นการบอกใบ้นําทางให้แกรเราอีกครั้งว่าหนทางที่จะออกไปสู่โลกภายนอกที่แน่นอนที่สุดก็คือให้ตามการนาของเขาไป มือทั้งสองของแม่นักเคมีฟิสิกสาวยังกลุมอยู่ที่ซวงอกด้านหัวใจร่างกายส่วนใหญ่แทบจะเป็นเน็ตชาไปหมดเชิดวุดรูปหลังอย่างปลอบใจและประคองให้ยืนขึ้นบอกต่อไปอย่างยินดีว่าทางออกเราเห็นอยู่แน่ชัดและละคริสไปเถอะตามหลังงูตัวนั้นขึ้นไปผมเชื่อว่าไม่ใช่งูร้ายธรรมดาหรอก แต่น่าจะเป็นบริวารของเจ้าถ้ำหัวขาดนั่นส่งมาให้นำทางกับเราเพราะเห็นว่ามัวเรามัวแต่ลังเลกันอยู่ตัดสินใจไม่ถูกว่าทางสามแพร่งจะเลือกออกทางไหนพิจารณาดูให้ดีนะคุณงูตัวนั้นไม่น่าจะเลื้อยขึ้นสูงเลยถ้าเป็นงูธรรมดาแต่ควรจะเลื้อยหายมุดเข้าไปตามซอกโพรงแคบๆตามธรรมชาติของงูแต่นี่เลื้อยนาขึ้นไปบนนั้นให้เราเห็นอยู่ชัดๆ มือนจะบอกให้ตามขึ้นไปงั้นแหละโอ้ยมุดขอเวลาสงบใจให้เลือดลมเป็นปกติอีกสักสองนาทีได้ไหมตอนนี้ตะเขาออนไปหมดแล้วหลอนพูดแทบไม่มีเสียงนายทหารหนุ่มยิ้มพยักหน้าตกลงคริสพักจิตใจเป็นปกติสัก่อนก็ได้ไม่มีอะไรจะต้องรีบร้อนแล้วหล่ะตอนนี้โอ้ยมุด นี่ถ้าคุณไม่มาด้วยและเปรียบเหมือนพี่เลี้ยงฉันอยู่ทุกขณะนะฉันว่าฉันคงตายไปแล้วตั้งแต่เมื่อคือนะเสียงของหลอนแหบเหืดเป็นการกล่าวออกมาจากใจจริงทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสิ่งมหัศจรรย์เหลือเชื่อทั้งสิ้นที่เราประสบพบเห็นกับตาถ้าคุณไม่ยึดมือฉันไว้ฉันก็คงยิง แล้วคุณเชื่อเหรอว่าระยะห่างแค่วาเดียวน่ะพอเจ้าประคุณตัวยาวมีรูปเกิดมาอยู่ที่ลำคอชูคออยู่ท่วมศีรษะเราจ้องคอยทีอยู่แล้วคุณคิดว่าคุณดึงปืนออกมาทันเหรอโดยที่ไม่ถูกฉกดิ้นไปสักก่อนเนี่ยคริติน่ากลืนน้ำลายอีกครั้งพูดไม่ออกความเงียบเข้าปกคลุมอีกครั้ง ภายหลังจากมูจงอางใหญ่ตัวนั้นเลือ้อยลับตาขึ้นไปแล้วคบเพลิงเคมีที่เชิดวุฒจุดเสียบไว้กับรอยแตกของหินใช้มาจนเกือบจะหมดเชื้อเพลิงค่อยๆรีแสงลงตามลำดัก้าจึงเอาท่อนใหม่ขึ้นมาจุดสว่างจ้าขึ้นตามเดิมโดยปล่อยอันเก่าที่เหลือเปเลวน้อยเต็มทีให้อยู่ที่เดิมแล้วเอามือโอบตะโพกของหลอนเป็นไงคริส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 ไม่รู้หายไปไหนตัวนี้ก็เหมือนกันผมเชื่อแน่ว่าปรากฏตัวขึ้นเพื่อนำทางหรือชี้ทางให้กับเราเท่านั้นล่ะคุณกล่าวจบเขาก็รั้งหล่อนเบาๆให้ออกเดินหนทางที่จะไต่ขึ้นไปตามขั้นที่ดูเหมือนบันไดศิลาอันธรรมชาติสร้างไว้นี้กว้างขวางพอสมควรทีเดียว จงต่างเดินเคียงคู่กันเป็นนากระดานไต่ขั้นหินขึ้นไปตามลำดับอย่างเช่มช้าระมัดระวังเชิดวุธยังทำหน้าที่ถือคบเคมีส่องทางอยู่เช่นนั้นไรเฟิลสะพายไว้กะไลโดยไม่จำเป็นจะต้องเตรียมพร้อมเพื่อผเผชิญกับอะไรทั้งสิ้นเป็นภูมิประเทศในถ้ำที่แปลกตาไปกว่าที่ผ่านพบกันมาแล้วพอไต่ขึ้นมาได้ระยะหนึ่ง ก็ถึงลานระดับพื้นราบ พ, พุทธโผลไปด้วยนอหินงอกเหมือนจะเป็นขั้นพักแล้วก็มีขั้นบันไดนำขึ้นสู่ระดับสูงต่อไปอีกเป็นชั้นๆรวมทั้งมีช่องทางแยกเป็นโพรงให้เห็นอีกด้วยแต่เชิดวุฒปักใจแน่วแน่ไม่ติดใจหนทางอื่นใดทั้งสิน้นนอกจากจะบายหน้าไปยินสูงขึ้นท่าเดียว คอเคมีครั้งแรกก็จะพุ่งเป็นไฟพเนยงพ่นจากปลอกของมันออกไปเพียงแค่คืบเสร็จแต่บัดนี้ยิ่งไต่สูงขึ้นมามันเริ่มจะพ่นไฟลุกแรงขึ้นยาวเป็นศอกและเปล่งแสงสว่างจ้าขึ้นทุกขณะแสดงว่ามีออกซิเจนช่วยในการลุกไหม้เพิ่มขึ้นทุกทีอากาศที่หายใจกันอยู่ในขณะ น, นี้ก็ยิ่งปลอดโปรง่งเพิ่มขึ้นตามลาดับ บนตะพักชั้นสามที่มายืนสองไฟตรวจพิจารณากันอยู่ต่างมองเห็นหินย้อยบนเพดานถ้ำหักหล่นลงมาเกลื่อนกลาดลักษณะเป็นรอยหักใหม่ๆหลุดลงมาจากเพดานและผนังบางส่วนก็มีรอยร้าวปริเป็นรอยแตกแยกใหม่ๆเช่นเดียวกันเชิดบุตรเมียอาการงงสองครบตรวจดูอย่างละเอียดที่สุด ทั้งก้อนหินระคนเศษสะก็ดที่พบหล่นอยู่ทั่วไปตลอดจนรอยร้าวแยกตามผนังนี่คุณคุณมาเกิดจากอะไรนี่สำหรับหินหักร่วงลงมาลักษณะใหม่ๆแบบนี้เขาถามขึ้นเบาๆแล้วส่องไฟชูสูงขึ้นตรวจเพดานหารอยตำแหน่งหักที่ยังพอเหลือโคนอยู่ให้เห็นแม่นักเคมีฟิสิกส์สาวผมทอง กระดกปลายลิ้นออกมาแตะริมฝีปากสุดตัวลงนั่งพิจารณาอยู่ที่หินย้อยก้อนหนึ่งที่หล่นอยู่กับพื้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งล่อนตรวจ ด, ดูตรงรอยเป็นไปได้ไหมบุตรที่หินหลังนี้มีการหักร่วงลงมาเกิดจากความสะเทือนของภูเขาที่ถล่มเมื่อเย็นวานนี้ความแรงของมันสั่นสะเทือนเข้ามาถึงถ้ำบริเวณนี้ ทำใหหินย้อยภายในซึ่งก็ไม่มั่นคงแข็งแรงในอะไรนักพลอยถล่มร่วงลงมาด้วยการถล่มของภูเขาเมื่อเย็นวานมันรุนแรงมากเหลือเกินเปลียบไม่ผิดอะไรกับแผ่นดินไหวคุณถูกหินน็อกสลบไปไม่รู้ตัวแต่ฉันรู้ดีแล้วก็ได้ยินเสียงตลอดเวลาที่ถูกคุณผลักเข้ามาในโพรงถ้ำนั้นเสียงคมันน่ากลัวที่สุดละวุฒิแผ่นดินไหวยังไงก็ยังงั้นทีเดียว เชิดบุตรเอามือลูบคางคิดเม้มปากแน่นตาเป็นประกายมันก็น่าจะใช่อย่างที่คุณว่าละ่ะคริสไม่เพียงแต่สะเทือนเข้ามาทำให้หินย้อยบนเพดานถ้ำหลุดร่วงเท่านั้นความรุนแรงของมันยังทำให้ผนังบางตอนแตกแยกอยู่นั่นมันเป็นรอยแตกแยกใหม่สุดๆร้อนๆไม่ใช่เกิดมานานแล้วเขาบอกพร้อมกับชูคบเคมี ส่องไปให้หล่อนดูผนังแยกจากกันบริเวณหนึ่งตลอดจนรอยร้าวที่เห็นอยู่ทั่วไปใหม่ๆทั้งนั้นหลักฐานสังเกตง่ายที่สุดก็คือแต่เดิมมีคราบตะไคร่ติดกันเป็นพืชแต่ตรงบริเวณแยกร้าวใหม่นั้นแบ่งรอยตะไคร่ปรุขาดออกจากกันและหินเนื้อหินที่แตกสีสันผิดไปจากพื้นผนังหินเดิมอย่างถนดัด ซ้ำยังมีสะเก็ดละอองหล่นอยู่ตามพื้นทั่วไปทั้งนั้นก็แปลว่าเราใกล้ทางออกเต็มทีแล้วสิวุธบริเวณนี้จะต้องเป็นบริเวณใกล้เคียงกับผิวของภูเขามากที่สุดแรงสะเทือนจากด้านนอกจึงสั่นเข้ามาถึงได้เอางั้นก็อย่าช้าเลยรีบไต่ขึ้นไปเถอะหลอนพูดโดยเร็วเสียงที่สั่นในครั้งนี้เจือไปด้วยแววปีติเหลือที่จะกล่าวได้ เชิดวุฒลุกขึ้นยืนก้านำขึ้นไปตามแง่หินนั้นต่อไปยิ่งสูงขึ้นไปก็ยิ่งเห็นร่องรอยของหินพังหล่นอยู่ทั่วไปทีมากขึ้นทุกทีจนกระทั่งในที่สุดก็มาถึงบริเวณหนึ่งอันดูเหมือนจะเป็นทางสิ้นสุดใกล้ชิดกับเพดานด้านบนซึ่งสูงขึ้นไปประมาณสิบเมตรเป็นช่องแตกทางยาวบาโว เรารอตายแล้วคริสนายทหารหนุ่มตะโกนขึ้นสุดเสียงอย่างลืมนตัวแทบกระโดดตัวลอยแสงของตะวันเช้าอันสุกใสสาดเป็นลำเข้ามาทางช่องรอยแตกนั้นแล้วมองเห็นท้องฟ้าสีครามเบื้องบนคริสติน่ายืนงอแงมองตะลึงไปอีกครั้งเหมือนจะไม่เชื่อสายตาฉช่นนั้นใช่หลอนมองเห็นท้องฟ้าแล้วเห็นลาแสงของตะวัน แสงแดดตอนเช้าซึ่งไม่คิดหวังว่าจะได้เห็นอีกเลยหลังจากภูเขาถลม่มฝังกลบทางออกหมดสิ้นเมื่อเย็นวานหล่อนซุดตัวลงคุกเข่าอย่างสงบที่สุดประสานมือจรดอกริมฝีปากขมุบขมิบเหมือนจะสวดขอบคุณพระเจ้าแล้วยกขึ้นทำอาเมนจากนั้นก็ลุกขึ้นมายืนมองดูรอยแตกนั้นเคียงข้างเขาอย่างพินิษพิจารณา เชิดพุรนั้นภายหลังจากตะโกนออกไปเช่นนั้นแล้วก็เงียบกริบเช่นกันมือตะปบกุมหลวงพ่อทวดที่ห้อยคอไว้แน่ราวกัสิงศักิ์สิทธิ์จะ ก, กำหนดทิศทางไว้ให้อย่างหมาะมั่นแล้วรอยแตกแยกเหนือศีสาะ ข, ขึ้นไปนั้นเป็นรอยแตกแยกที่มีระยะห่างมากที่สุดประมาณถึงหนึ่งเมเ็ดเศษของความกว้าง และอยู่ในระดับตรงกับที่กำลังมาหยุดแง้มมองดูกันอยู่ขณะนี้เองส่วนความยาวของรอยแตกแนวเดียวกันนั้นกินแดนกว้างไกลคดเคี้ยวไปทางด้านซ้ายและขวาเพียงแต่ว่าบีบเรียวเล็กลงเป็นลำดับจนเมื่อมองตามห่างออกไปก็เหลือเพียงฟุตและคืบเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นหากจะออกไปสู่โลกภายนอกก็ไม่ต้องลาบากเหนื่อยยากใดๆอีกแล้ว เพียงแค่ปีนไต่กันขึ้นไปตามแก่งแง่หินของผนังทั้งสองด้านก็จะโผล่ขึ้นตรงตำแหน่งรอยปริแยกซึ่งกว้างที่สุดนำตัวลอยขึ้นไปได้โดยง่ายรอยแตกที่เห็นอยู่นั้นความจริงมันก็คือรอยร้าวแยกของพื้นส่วนใดส่วนหนึ่งของภูเขามรณะ ซึ่งเพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อเกิดการถล่มของหินประดุดแผ่นดินไหวนั่นเองหากไม่เช่นนั้นแล้วมันก็คงจะเป็นทางปิดทึบตันเช่นกันส่วนจะโผล่ไปตรงส่วนใดของขุนเขาลูกนั้นก็ยากที่จะทํานายได้เนื่องจากเส้นทางเดินภายใต้ถ้านรกวกเวียนวนไปมาจนสุดที่จะจดจําทิศได้อละคริสคุณไต่ขึ้นไปก่อนเลย วางเอ็มสิแล้วก็ถอดเครื่องหลังซะก่อนเราจะใช้วิธีเดิมเมื่อคุณขึ้นไปเรียบร้อยแล้วก็ย่อนเชือกลงมาผมจะผูกสัมภาระติดตัวจําเป็นของเราเหล่านี้ให้คุณชักรอกขึ้นไปและผมก็จะไต่ขึ้นไปทีหลังสบายละระยะนี่ยมันใกล้ๆแค่นี้เองในที่สุดเขาก็หันกลับมาบอกหล่อนด้วยน้ําเสียงแช่มชื่นอ่ะก็ทําไมคุณไม่ขึ้นไปก่อนในฐานะที่คุณนํามาโดยตลอดละ่ะบุตรหล่อนถาม ผมจะนำก็ต่อเมื่อไม่แน่ใจว่าอันตรายมันจะรอคอยอยู่ข้างหน้าหรือเปล่าเท่านั้นแต่ถ้าเห็นทางสะดวกปลอดภัยแน่นอนและแบบนี้ผมว่าคุณน่ะแหละควรขึ้นไปก่อนผมอยากให้คุณขึ้นไปเห็นตะวันและท้องฟ้าให้ต็มตาก่อนผมและช่วยบอกลงมาด้วยว่าท้องฟ้านะ่ะมันสวยงามแค่ไหนก็ถ้าคุนขึ้นไปแล้วก้มลงมาตรงนี้ปรากฏว่ามองไม่เห็นคุณ หรือว่าเกิดเหตุอันเป็นไปเช่นไรกับคุณฉันจะทำยังไงวุธคริสติน่าพูดแผ่วเบามองหน้าเขานิ่งเชิดวุฒหัวเราะเอื้อมมือมาจับปลายคางหล่อนไม่ต้องห่วงคุณมาคุณขึ้นไปบนนั้นมองลงมาไม่เห็นผมหรือมีเหตุอะไรเกิดขึ้นเป็นต้นว่าหินมันเกิดหุบติดกันเข้ามาขยี้ผมไว้หึงู ก, กัด หรือธรณีสูบไม่ว่าอะไรก็ตามคุณทิ้งผมไม่ได้เลยเอาชีวิตเอาตัวคุณรอดไปก่อนแล้วกันอเมริกันสาวผมทองยิ้มนิดหนอ่งตกลงหล่อนว่าแล้ววางเอ็มสิบหกสลักเป้หลังออกเหลือแต่เชือกไนล่อนและปืนพกติดตัวเพียงกระบอกเดียวไต่เดียดเดืยขึ้นไปทันทีแค่สองอึดใจเท่านั้น หล่อนก็คว้าแง่หินที่แตกแยกริมปากทางอันเป็นช่องเหวที่เกิดขึ้นใหม่เพราะภูเขาถล่มนั้นได้หนกายหายลับขึ้นไปเชิดบุตรแง้มมองอยู่ตลอดเวลาต่อมาก็เห็นใบหน้าของหล่อนโผล่กลับลงมาตะโกนบอกมาว่าฟ้าสวยมากคุณเป็นสีครามใสไม่มีเมฆหมอกเลย นกบินร่อนอยู่กลางอากาศแต่น่าเสียดายคุณมันเป็นอีแรงเ็าหัวรอเสียงลั่นกูหาหรือรูปล่องนั้นดีคุณ <Hung ers> เห็นอีแรงก็ยังดีกว่าไม่เห็นอะไรสักอย่างสำหรับเราสองคนในขณะ น, นี้เอา้าย่อนเชือกลงมาเลยคริส คริติน่าโรยเชือกที่เตรียมไว้แล้วลงมาทันทีที่เขาตะโกนขึ้นไปจบประโยคเชิดวุฒผูกมัดของเสร็จสับก็ทำสัญญาณโบกมือให้หลอนสาวขึ้นไปเพราะสัมภาระที่เกตกกะถ่วงน้ำหนักล่วงหน้าขึ้นไปก่อนแล้วเขาก็จบมือที่ถือคบเคมีอันยังมีแสงสว่างจ้าในซอกมืดนั้นขึ้นไหวสักการะเจ้าเขาเจ้าถ้าและโดยไม่จาเป็นจะต้องดัก เขาเสียบเป็นเทียนแทนเครื่องบูชาไว้ในซอกหินริมพื้นให้มันสว่างจ้าอยู่เช่นนั้นและจะทิ้งไว้จนกระทั่งมันหมดเชื้อลงเองส่วนตนก็เหนี่ยวแง่หินใตาตามขึ้นไปช้าๆครั้นแล้วบัญยาตาตแห่งชีวิตใหม่หรือสภาพอันตายแล้วเกิดใหม่ก็กลับคืนมาเป็นของบุคคลทั้งสอง เมื่อเชิดบุตรขึ้นพ้นรอยแตกนั้นมาพบเห็นกับแผ่นฟ้ากว้างเต็ม อ, อีกครั้งทั้งสองยังไม่พูดอะไรกันแต่ต่างกวาสายตาสำรวจภูมิประเทศไปรอบๆตัวในระหว่างที่ครึ่งนั่งครึ่งนอนตักแคงอยู่กันตรงตำแหน่งนั้นมันเป็นเวลา9ก้านาฬิกา30นาทีพอดีความจริงจัดว่าสวย แต่ตะวันของกลางขุนเขารอบด้านที่เพิ่งจะขับไล่หมอกไปหมดสิ้นสา์สีทองอารามเรืองไปทั่วรอบด้านปราสะากพืชพันธุ์ใดๆทั้งสิน้นนอกจากก้อนหินใหญ่น้อยซึ่งบางก้อนก็มีรอยขยับขยื่นจากตำแหน่งเดิมของมันพื้นที่นั่งกันอยู่ยังมีรอยเปียกชื้นของน้ำค้างที่ยังระเหยไม่หมดท้องฟ้าสว่างใสไม่มีเมฆหมอก ตำแหน่งที่โผล่กันขึ้นมาจากใต้แผ่นพิภพนี้เป็นบริเวณใดของภูเขาหินยังไม่ทราบดัแต่อยู่ในระดับเกือบจะกึ่งกลางเมื่อมองลงไปยังเชิงเขาต่ำไปด้านล่างซึ่งเขียวสลับเหลืองของดงบริเวณหนึ่งส่วนด้านบนนั้นก็เป็นยอดเขาหินที่สูงขึ้นไปอีกลมเช้าพัดเส้นผมของคริสตินา่าปลิวสวยัยอากาศกาลังสดชื่น เงียบแสนเงียบแต่ก็เป็นความเงียบแห่งความเปล่าเปลี่ยวของสถานที่ไม่ใช่เงียบแบบมรณะการอย่างที่พบกันมาแล้วใต้ถ้ำนรกเพราะอย่างน้อยก็ยังได้ยินเสียงลมพัดผ่านโขดหินเท่าที่สันนิษฐานกันไว้แล้วไม่ผิดไปเลยช่องแตกของภูเขาส่วนนี้ที่โผล่กันขึ้นมาได้เป็นช่องแตกปริที่เกิดขึ้นใหม่ ซึ่งแน่ละจะต้องเกิดจากอํานาจความสั่นสะเทือนของภูเขาถล่มเมื่อวานนี้แน่นอนเพราะภายหลังเมื่อขึ้นมาอยู่บนนี้แล้วจึงมองเห็นรอยแตกแยกปริราวนั้นอย่างถนัดแต่มันก็เป็นคนละด้านกันกับฝั่งที่หินถล่มลงกลบทางเพราะมองลงไปแล้วไม่เห็นร่องรอยของเส้นทางเดินเก่าหรือกองหินที่ถล่มเลยทั้งสองลูออก ทางด้านทิศตะวันออกของขุนเขาลูกนั้นที่สุดเมื่อต่างฝ่ายต่างมองสำรวจไปรอบๆ อ, อย่างเพ่งพิดแล้วสายตาก็มาพบกันจ้องผนึกแน่นเชิดวุดอ้าแขนออกหลนก็โผก็ไปสู่วงแขนเขาต่างฝ่ายต่างกอดกันแน่นน้ำตาซึมด้วยกันทั้งสองฝ่ายคริส หยุด0ูนหนึ่งเปอร์เแห่งความหวังในการรอดของเราเป็นความจริงแล้วในที่สุดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ยังไม่ทอดทิ้งเราบุตรฉันฉันพูดอะไรไม่ถูกชีวิตฉันเสี่ยงภัยมามากเกือบตายมาหลายครั้งแต่ฉันก็ไม่เคยเชื่อเลยว่าฉันจะต้องตายแน่นอนเหมือนกับขณะ ท, ที่เราตกอยู่ในนรกใต้ถ้ำนะั่นแล้วก็ไม่เชื่ออีกด้วยว่า เราจะมีโอกาสออกมาพบเห็นโลกภายนอกอีกแล้วว่าแต่แต่ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเนี่ยคุณพอจะเดาถูกไหมเชื่อว่าเป็นอีกฟากหนึ่งของภูเขาที่ถล่มใส่หัวเราเมื่อเย็นวานนั่นแหละคุณแต่จะอยู่ที่ไหนนะผมไม่แคร์แล้วละ่ะขอเพียงให้รอดออกมาจากใต้นรกนั่นก่อนเท่านั้นหลงป่าก็ยังดีกว่าตาิดตายอยู่ใต้ถ้ำแสนเข่า นี่าเทียบกับเมื่อเย็นวานนี่แล้วการที่เราจะติดตามหาพวกเขาถ้าหากเขายังเหลือชีวิตรอดอยู่มันเป็นเรื่องง่ายที่สุดขอเพียงให้ออกมาสู่โลกภายนอกได้สักก่อนเท่านั้นละคุณคริสติน่ายิ้มทั้งน้ำตาแพะออกจากเขาลุงวิทยุออกจากย่ามหลังดึงเสาอากาศขึ้นจนสุดแล้วเปิดสวิตจากคริสตินาและเชิร์ดบุตรเรียกทุกคน ใครได้ยินตอบรับด้วยจากคริสติน่าและเชิดบุตรเรียกทุกคนใครได้ยินตอบรับด้วยหลอนพยายามเรียกอยู่ซ้ำซ้ำห้าหครั้งยังไม่มีเสียงตอบรับตามเคยเช่นเดียวกับการเรียกใต้ท่ามหลอนจะพยายามอีกแต่เชิดวุตเอื้อมมือมาคว้าข้อมือไว้บอกอ่อนโยนว่า ไม่มีประโยชน์ต่อคุณ๋ยวเพิ่งไปสนใจกับวิทยุเครื่องนั้นเลยเรายังอยู่ในตำแหน่งอับคลื่นวิทยุถ้าเขาได้ยินเขาก็คงตอบกันแล้วละ่ะเออแล้วนี่เราจะเริ่มต้นกันยังไงต่อไปดีล่ะคุณหล่อนถามแม้จะหลงเหลือรอยกองบนบ้างเล็กน้อยแต่ความปริวิตกทั้งหมดประลาสนาการไปหมดสิ้นแล้วเมื่อพ น, นรกใต้แผ่นพีพภพขึ้นมาได้ เราจะลงเขาตรงไปที่ปีนเชิงด้านล่างที่เห็นป่านั่นก่อนเป็นจุดแรกนะพักกินอาหารเช้ากันที่นั่นแล้วค่อยหารือกันอีกทีหนึง่งว่าจะแกะรอยติดตามพวกนั้นยังไงต่อไปสบายใจได้แล้วคริสพวกนั้นยังไปไม่ไกลนักหรอกถึงผมจะไม่ชํานาญป่าแถบนี้มาก่อนผมก็เคยเดินป่ามาบ้างแกะรอยเป็นแล้วก็ลงเกิดเรื่องแบบนี้ผมว่าพวกเขาก็คงยังไม่ไปไหนไกลหรอก คงจะอยู่ในละแวกใกล้ๆ ก, กันจุดที่เกิดเหตุร้ายแรงขึ้นนี่แหละเชิดบุตรบอกลุกขึ้นยืนแล้วคว้าแขนหลอนฉุดขึ้นทั้งสองพากันเดินลงจากภูเขาหินล้วนๆายหน้าลงติ่งเชิงอันมองเห็นป่าอยู่ด้านล่างไม่ห่างไกลออกไปนักด้วยความรู้สึกแห่งชีวิตที่สวรรค์เบื้องบนประทานคืนมาให้อีกครั้ง ประมาณครึ่งชั่วโมงของการไต่ลงจากจุดกึ่งกลางของเขาหินลูกนั้นซึ่งขนทางก็ไม่ลำบากอะไรนะักทั้งสองก็มาถึงบริเวณไหลตีนเนินอันเรียบเลาะวกเวียนไปตามเชิงเขาและต่ำลงไปอีกเล็กน้อยอันเป็นบริเวณป่าค่อนข้างโปรง่งมีไม้ใหญ่ยืนต้นแผ่กิ่งก้านสาขาอยู่เป็นระยะระยะโดยมีละมอดีตีสลับเป็นพุ่มพงอยู่ บางก็เห็นลำห้วยขนาดย่อมๆมีน้ําใสไหลผ่านมาตามหมู่โขดหินหนุ่มสาวเดนตายต่างเพศพันทั้งคู่ยินมองดูทาน้ําใสสะอาดที่เห็นลงไปไม่ห่างนักด้วยความรู้สึกอันแช่มชื่นไปด้วยความหวังแบบนี้ทั้งสองเหงือออกโชคเต็มกายระหว่างที่ปีนป่ายเขาลงมานั่นก็คือสั ญ, ญลักษณ์แห่งชีวิต เชิดบุตรีมือให้ดูลำธารและแนวป่ารอดด้านเบื้องหลังใครก็ตามที่หลงป่าอยู่และมาพบลำห้วยมีน้ำไหลผ่านก็แปลว่ารอดตายแล้วรวมทั้งป่าที่เห็นใบเขียวสดอยู่นั่นด้วยหล่อนมองหน้าเขาไม่เข้าใจนะักฉันรู้แต่เพียงว่าถ้าพบน้ำก็แปลว่าเรารอดจากการอดน้ำส่วนป่าเขียวสดที่คุณว่าน ฉันไม่แน่ใจว่าเราจะกินใบไม้ใบหญ้ า, าแทนอาหารได้เหมือนพวกลิงข้างหรือพวกสัตว์กินพืชแล้วอีกอย่างหนึง่งก็ยังมองไม่เห็นทางที่จะตามพบพักพวกเราได้อย่างไในายทหารหนุ่มแห่งกองทัพ บ, บกไทยหัวเราะโอบเอวแม่เพื่อนร่วมตายของเขาไว้นี่คุณไหนคุณว่าคุณผ่านหลักสูตรการดำรงชีพในป่ามาแล้วไงล่ะถ้าฉันเคยพูดอย่างนั้นไปแล้ว ก็คงแปลว่าฉันคุยโมโไปเองนั้นเองกรมะั้งฉันจะดํารงชีพอยู่ในป่าได้ก็ต้องแปลว่ามีอุปกรณ์ช่วยชีวิตพร้อมใช่ฉันเคยฝึกมาบ้างเหมือนกันแต่มันก็เป็นเพียงแค่หลักสูตรสั้นๆแบบเร่งรัดเท่านั้นอาจเคยเดินปา่าแต่ก็เป็นป่าของการฝึกภาพมีที่หมายมีจุดกําหนดนัดพบที่แน่นอนโดยแผนที่และเข็มทิศกํากับปลายตัวโดยจะระวังเฉพาะหลุมขวัก กรระเบิดและการลอดโจมตีจากฝ่ายตรงข้ามอันเป็นมนุษย์เท่านั้นไม่ใช่ป่าลึกกันดานชนิดไม่เคยพบมาก่อนอย่างนี้นี่คุณป่าเขียวที่เราเห็นนั่นนะแปลว่าจะต้องมีสัตว์นั่นคืออาหารประเภทเนื้อสดที่เราจะหาได้รวมทั้งหน่อหรือหัวพืชบางชนิดที่จะประทังชีพได้ด้วยถ้าเรารู้จักหาส่วนลำธารที่เห็นนั่น นอกจากจะช่วยให้รอดจากการอดน้ำและความชุ่มชําสดชื่นแล้วแม้เราจะหลงป่าแล้วงโง่อย่างที่สุดโดยไม่รู้จะบายหน้าไปทางไหนก็ให้เดินเลาะเรียบลำธารไปเรื่อยๆเถอะแล้วเราจะพบหมู่บ้านหรือที่พักอาศัยของมนุษย์ในป่าเองเพราะธรรมชาติของมนุษย์จะต้องอยู่ใกล้ทา น, น้าเสมอนี่คือวิชาเดินป่าขั้นอนุบาลที่ผมเคยเรียนรู้มากุด หลอนปลายดูเขาด้วยหางตาแล้วยิ้มนิดนิดก็ไม่เลวนักนลยนะที่ฉันมาหลงถ้ำหลงป่าอยู่กับคุณเพราะมีความรู้ในเรื่องป่าดงพอสมควรทีเดียวไม่ถึงกามืดแปดด้านเกินไปนักไอสวนฉันน่ะสารภาพว่ามืดไปหมดแม้จะออกมาสู่โลกภายนอกได้แล้วก็ตามเขารังเอวหล่อนเบาๆเชิงเตือนให้คืบหน้าปัตคริส ราไต่ลงไปอีกนิดหนึง่งหาที่เหมาะๆริมลําธารน่นพักทานอาหารอาบน้าําอาบผ้าใช่สบายตัวกันก่อนแล้วค่อยคิดอ่านติดตามพักพวกต่อไปอย่างสุภาพบุรุษผู้สํานึกในการที่จะต้องปกป้องหล่อนอย่างเต็มที่อยามเมื่อเห็นกันอยู่เพียงแค่สองต่อสองเช่นนี้เชิดวุตรไต่นําล่วงหน้าลงไปก่อนแล้วคอยส่งมือให้คริสจัด ทั้งคู่ปีนไหลเขาตีนเชิงอันดูเหมือนถนนสายใหญ่ทอดคดเคี้ยวราวกับใครมาตัดไว้ซึ่งความจริงมันก็คือด่านช้างนั่นเองลงไปยังลำธารที่เห็นอยู่แม้จะมองเห็นว่าไม่ห่างลงไปนะักแต่กว่าจะค่อยๆไต่กันมาถึงได้ก็เล่นเอาหอบเหมือนกันชุดดึงประคับประคองช่วยเหลือกันอยู่ทุกระยะเพราะความชันของพื้นตลิงอันเป็นดินลูกรังรว สองสาครั้งที่คริสติน่าเกือบจะทลาศรรีษะพิม์ลุลุล้นลงไปแต่เชิดวุธคว้าแขนไว้ได้ทันในถ้ำนรกใต้ภูเขาของคืนที่ผ่านมานั้นทั้งสองเต็มไปด้วยความหนาวเย็นจับขั้วหัวใจแต่ยามสายของเต็นเขาด้านนอกอันตะวันเริ่มจะร้อนแรงขึ้นทุกขณะ น, นี้อุณหภูมิเปลี่ยนมาเป็นร้อนอบอ้าวเสื้อผ้าของทั้งสองขาดวินกระรุ่งกระรงอยู่แล้ว จึงไม่มีอะไรจะขาดได้อีกนอกจากผิวหนังที่ถลอกบอกเปิงเพราะครูดกับหินฝุ่นจับเต็มตัวไปหมดในที่สุดทั้งสองก็ลงมาถึงฝั่งทานด้านล่างได้ยินเสียงสายน้ำไหลผ่านแก่งโขดหินอยู่ริกๆสลับกระเสียงใบไม้พลิกไหวเพราะลมโชยเลือกได้ชัยภูมิเหมาะบริเวณหนึง่ง มีหมูหินขาวสะอาดเป็นแท่นร่มรื่น อ, อยู่ภายใต้เงาของศัก์ใหญ่ขนาดสามคนอกพื้นอุดมไปด้วยกรวดใหญ่ๆและใกล้าทานน้ำไหลมากที่สุดรอบด้านจะอุมไปด้วยบอลต้นกระดาษและระใคร่น้ำหลังหันเข้าหาก้อนหินที่เว้าเข้าไปเหมือนกำแพงบังหน้าหันออกสู่ลำธาร ซึ่งฝั่งตรงข้ามเต็มไปด้วยสมุนทุ่มไม้ทึบอ่อนลา้าอิดโรยและหิวโหยริติน่าโยนปืนกับเครื่องหลังลงทิ้งกายลงนั่งแทบจะเรียกว่าหงายเหยียดยาวไปกับพื้นกรวดนั้นต้นคอพิงหินมือทั้งสองประสานกันวางอยู่บนซวงอกปรือดวงตาลงเหมือนอยากจะหลับสักพัก เชิดบุตรไม่รบกวนอะไรหล่อนเพราะรู้ว่าแม่ผมทองเหนื่อยอ่อนเต็มทีแม้ว่าจะทะเหดเกินหญิงในรายเฉลี่ยทั่วๆไปสักเพียงไรก็ตามหล่อนคงจะเปรี้ยไปหมดทั้งสมองและร่างกายตนเองจัดการเอาสเสบียงสําเร็จรูปขึ้นมาเปิดแล้วอุ่นด้วยไฟในตัวของมันเองพอเสร็จสับเรียบร้อยก็สะกิดหล่อนคริสคริส กินอาหารกันก่อนเถอะฉันอยากหลับสักงี่ป่ะบุ๊ดหลอนบอกเบาๆโดยไม่ลืมตาได้จะหลับก็ได้แต่กินอาหารจะก่อนดีกว่านะคุณแม่ผมทองยันกายขึ้นนั่งตามคำสั่งของเขาต่างคนต่างกินอาหารกระป๋องที่ยังพอเหลืออยู่กันเงียบๆไม่มีแรงจะพูดคุยอะไรกันลัก แล้วต่างฝ่ายต่างก็ซึมๆกันไปเพราะอิดโรยหนักคริสติน่านั้นกินเข้าไปได้เพียงครึ่งเดียวก็ลงกายลงนอนก็พักสักเดียวนะครึ่งชั่วโมงเท่านั้นหละคุณหลอนอู้อีบอกมาแทบฟังไม่ได้สักดึงหมวกมาหลุกปิดดวงตาไว้สีสษะพาดเป้หลังแล้วก็พล่อยหลับไปอย่างง่ายๆเธอบุตรมองดูอย่างสมเพช เขาเองก็ง่วงเต็มทนเหมือนกันพอกินอาหารดื่มน้ำเสร็จก็ลงนอนใกล้ๆหลยลมอุ่นของป่าล่างพัดมาเฉยเฉียวระคนไปกระเสียงนกป่าร้องกลางวานไพรราวกะเดินรีสว ร, ร์ต่ามองจับอยู่บนยอดไม้สูงลิบขึ้นไปด้านบนว่าจะสูบุรีสักตัวแต่หนังตาหนักอึ้ง แล้วเขาก็หลับไปเมื่อไรก็ไม่รู้ตัวเคียงข้างคริสติน่านั่นเองทั้งสองจะม่อยกันไปนานสักเท่าใดไม่ทราบได้นักคลนแท่นหินใต้ร่เมเงาศักริมแทนนั้นแล้วก็ต้องสะดุ้งขว้าสุดตัวเพราะเสียงกึกก้องกำปนานาดราวกับฟ้าพา่าแล้วก็ซากัางวานไปไกล พร้อมกับความผันผวนของอากาศที่แวดล้อมอยู่รอบตัวด้วยอำนาจคลื่นเสียง83ลืมตาและพรวดขึ้นมานั่งพร้อมกันอย่างตกใจเหมือนตกอยู่ในห้วงฝันร้ายแต่มันก็ไม่ใช่ความฝันท่ามกลางแสงสว่างจ้าของทิวาการอะไรชนิดหนึ่งกำลังชักสี่ตีนชีฟ้าขนาดของมันพอๆพอกับม้าแปดหินชั่วว่า แต่เพียงพื้นเหลืองสีฟางมีริ้วดำอยู่จางๆห่างจากจุดที่เขาและหล่อนดึงกายขึ้นมานั่งออกไปด้านหน้าแค่สามวาเท่านั้นเฮ้ยชวดวุฒร้องออกมาอย่างลืมตัวส่วนคริสติน่าช่วยได้ m 1็มประจำตัวกระโดดผางขึ้นยืนอย่างอัตโนมัติแล้วนายทหารหนุ่มก็ตาลีตาเหลือคว้าไรเฟิลข้างตัวตะกายขึ้นมายืนจ้องภาคที่เห็นนั้นในลักษณะตลึก ประมาณสี่หรือห้าวินาทีถัดมาเท่านั้นร่างมหือมาที่ขากระตุกสั่นพลิ้วอยู่ก็สงบนิ่งพลิกนอนตะแคงเหยียดยาวเลือดทะลักออกมาทั้งทางปากและบาดแผลตรงก้านคอแน่ละนัดเดียวกไอยเสียงตูมสนันลั่นโลกที่ปลุกขึ้นมานั่นแหละได้ตัดกระดูก้านคอยอย่างเฉียบขาดไทเกอร์ เสียงคริสติน่าตะโกนลั่นสุดเสียงเมื่อมองเห็นทนาต่างคนต่างเงียบแล้วความเงียบก็เกิดขึ้นอีกครั้งภายหลังกลางวานเสียงระเบิดของกระสุนและเสียงหล่นตกลงมาดิ่งอยู่กับที่ของเสือใหญ่ขนาดแปดศอกตัวนั้นหรือที่จะคาดคะเนดได้ว่าไอ้เสือตัวนี้มาจากไหนอยู่ในภาวะใดและกระสุนปืนดังมาจากไหนแต่ที่ประจักษ์ชัด ในขณะนี้ก็คือถ้าไม่ใช่เพราะกระสุนประการศิษย์ที่พุ่งเข้าเด็ดกระดูกก้านคอมันซะก่อนไม่หล่อนก็เชิดบุตรคนใดคนหนึ่งคงคำหมองเหลวแหลกไปแล้วด้วยกรงเขี่ยวสีเหลืองที่ยังอ้าเสยค้างอยู่แต่ละดุ่นของเขี่ยวนั้นขนาดหัวแม่มือเคืองเคืองยาวประมาณสามนิ้ว ระหว่างยังยืนอ้าปากค้างตัวแข็งกันอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงฝีเทา้าย่ำ ม, มาตามพื้นกรวดตรงโขดหินซ้ายมือออกไปซึ่งก็ไม่ห่างนักฟังดูไม่น้อยกว่าสองคู่แล้วอึดใจเดียวร่างของใครคนหนึ่งซึ่งมองเหมือนภาพฝันเช่นกันก็โผล่พ้นแนวของหมู่หินออกมาห่างเพียงแค่ไม่เกิน2ี่สิบเมตรพร้อมกับไรเฟิลในมือ รับพินทั้งเชิร์วุธและคริสติน่าร้องก้องขึ้นพร้อมกันเมื่อแก้วตารับภาพของชายผู้นั้นทันหนักเป็นภาพที่ก่อให้เกิดความตื่นเต้นตะลึงงงซะยิ่งกว่าตื่นขึ้นมาด้วยความตกใจและมองเห็นเสือใหญ่ลอยลงมาชักพราดๆลๆอยู่ตรงหน้านับร้อยเท่าเพราะมันเปรบเสมือนตายแล้วเกิดใหม่อีกครั้งเป็นครั้งที่สอง ใช้ผู้นั้นไม่ได้กล่าวคำใดทั้งสิ้นแต่โบกมือให้แล้วก้าวยาวๆพรวดๆวดตรงเข้ามาหาอย่างรวดเร็วติดตามกระชั้นชิดมาเบื้องหลังในลักษณะวิง่งเหาะๆพร้อมกับกูตะโกนโวกเวกฟังไม่ได้สับไปหมดคือตาเท้าบุญคำและจันทร์แนพื้นเมืองคู่ใจทั้งสองของเขาเชิดบุตรได้สติก่อนคริสทิ้งไรเฟิลในมือลงทันที แล้ววิ่งสวนเข้าไปหาด้วยความดีใจขีดสุดจนลืมตัวพอถึงก็กระโดดเข้ากอดรัดร่างของจอมพลานไว้แน่นตะโกนเอ็ดอึงไปหมดรับพินผมไม่ได้ฝันไปคุณจริงๆด้วยคุณตามมาแล้วสุภาพบุรุษไพรกอดตอบแน่นกระชับใบหน้าของเขายังเครียดเต็มไปด้วยริ้วรอยแต่ก็มีแววปรีดาสมหวังปมาก็จับต้นแขนของเชิดบุตรดันออกไปห่างตัว สำรวจตลอดใบหน้าและร่างกายถามเสียงห้าวลึกว่าคุณเรียบร้อยปลอดภัยดีไม่ใช่เหรอครับคุณบุตรครับผมปลอดภัยพี่ชายเราทั้งสองปลอดภัยดีที่สุดครับแต่ไม่นึกว่าจะได้พบเห็นคุณอีกเชิดบุตรรัวลินแทบไม่เป็นภาษาดีใจจนพูดอะไรฟังแทบไม่รู้เรื่องระหว่างที่การใหญ่ยังจับแขนเชิดบุตร ต่างคนต่างขยา่าทักทายสำรวจกันอยู่นั้นบุญคำกับจันก็วิ่งตรงไปยังคริสติน่าผู้ใบหน้าแดงกำ่ำทั้งสองตะโกนเรียกชื่อลอนแล้วตรงเข้าไปห้อมล้อมไว้คริสติน่าผูเขา ก, กอดบุญคำไว้เต็มอ้อมครั้งหนึ่งแล้วหันมากอดจัน์ไว้อีกครั้งหนึ่งหล่อนเองก็พูดอะไรไม่ออกในขณะนี้นอกจากกายอันสันเทิงไปด้วยความปลาปลื้มปิติน้าตาคลอแล้วในที่สุดก็หัวเราะ ทังร้องฮห้กระพินไัยวันตบต้นแขนเชิดบุตรหนักหนักสูดลมหายใจลึกคุณสามารถมากคุณวุฒิที่ดิ้นรนหาทางออกมาจากไอ้ถ้านรกที่มันเกือบจะฝังคุณกับคริสติน่าไว้ทั้งเป็นได้ผมนึกว่ายังเก่งที่สุดผมก็แค่มาตามศพคุณทั้งสองเท่านั้นแต่นี่คุณก็พาคริสติน่ารอดออกมาจนได้อย่างที่ผมคิดไม่ถึง คุณแน่จริงๆกล่าวเพียงแค่นั้นระพินก็ปัดตัวเชิดวุธที่เกาะตัวเขาแจร้องอะไรโวยวายไม่เป็นภาษาให้หลบไปก่อนเดินตรงเข้าไปที่คริสติน่าผู้กำลังจ้องมองเขาอยู่ก่อนแล้วต่างคนต่างมองตากันนิ่งสุภาพบุรุษไยเอานิ้วเสยปีกหมวกขึ้นร้องทักมาเบาๆว่าคริสคุณไม่เป็นไรมากไม่ใช่หรอ แล้วก็ส่งมือไปให้จับคริสติน่ากลัมกลืนอะไรชนิดหนึ่งลงกลำคอเอื้อมมือมาจับเขากระชับแน่นแน่นที่สุดแล้วเมื่อรู้สึกว่าเขาจะฉุดดึงเข้ามาหลอนก็ผวาเขากอดคอเขาไว้หลับตาลงระพินระพินระพินหลอนพร่ำนามเขาซ้าซ้ ำ, ซำในที่สุด ในที่สุดคุณก็ตามมาช่วยเราจนได้เชิยบุธบอกฉันแล้วว่าคุณจะไม่มีวันทอดทิ้งเราความปีติยินดีที่ต่างฝ่ายต่างได้มาพบเห็นหน้ากันอีกครั้งทำให้บรรยากาศณที่นั้นสับสนชุนละมุนไปหมดชั่วขณะพูดทักทายกันแซดจนฟังไม่ได้สับบุญคำกระจันแทกบกระตรงเข้าไปแบกเชิอบุตขึ้นบา่าหวัวร่อราชายโยโหร้องลั่นไปหมด เชือ ว, วุฒนนั้นโยนหมวกลอยขึ้นไปกลางอากาศสีรตเท่าบุญคำเอ็ดอึ้งว่าคุณพระคุณเจ้าช่วยไว้แทๆ้ๆนี่แต่พรานใหญ่บุญคำเลขจันต้านนายทหารก็แม่มคริสไม่พบก็คงจะกลับไปดูหน้าพวกนายห่างใหญ่กับไอ้พวกนั้นไม่ได้อีกแล้วโชคดีจริงโว้ยที่ทั้งสองยังอยู่รอดฮ ทุกฝ่ายดีใจตื้นตันไปหมดไม่ว่าฝ่ายสูญหายไปหรือฝ่ายติดตามที่มาพบเห็นอีกครั้งทงั้งทั้งที่แทบไม่มีความหวังใดๆเหลืออยู่เลยกระพินปล่อยให้คริสติน่าผู้อาจจะอยู่ในภาวะลืมตัวเพราะตื่นเต้นยินดีกอดเขานิ่งอยู่อึดใจใหญ่และตกเบาๆที่แผ่นหลังหล่อนเหมือนจะเป็นการปลอบใจต่อมาหลอนก็เป็นฝ่ายรู้สึกตัว ผลกออกจากเขาจ้องหน้าเหมือนจะให้แน่ชัดที่สุดว่าตาไม่ฝาดริมฝีปากสัน่นอาการของหล่อนอยากจะพูดแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงยิ้มทางน้ำตาที่ไหลพรากสบายใจได้แล้วคริสเชิดบุตรอ่ะเดามานั่งคุยกันให้สบายเถอะไม่มีอะไรเร่งร้อนรีบด่วนอีกแล้ว กระปินพูดขึ้นรวมๆถอดหมวกออกพร้อมกระเป๋าลมพลูออกจากปาดหันไปมองดูซากเสือใหญ่ที่เพิ่งจะสงบการดิ้นชักไปหยกหยกแล้วก้าว ส, สูบเข้าไปใช้เท้าเขี่ยดูเชิดบุตคริสตินา่าบุญคำเล จ, จันก็ตรงเข้ามาไายล้อมที่ซากนั้นเพราะเห็นขนาดและสีสันที่ประหลาดไปจากเสือโคร่งธรรมดาของมันถนัด ทั้งเชดบุตและคริสก็กลืนน้ำลายลงคอฝึดๆอะไรกันนี่มันไปยังไงไมายังไงเชิดบุตรรองออกมาพร้อมทั้งสีหน้าเยเกขณะที่ชี้ไปที่เสือตัวนั้น <c oughs> ผมตามหลังคุณทั้งสองมาเข้าใจว่าจะเว้นระยะ ก, กันประมาณสักชั่วโมงเศษเท่านั้นล่ะคุณจอมพลันบอกเสียงต่ำๆเอาบุหรี่ใบตองแห้งที่ทัดหูไว้ขึ้นมาเน้นคาบไวในฟันหน้า และสบัดไลเตอร์จุดอัดควันอย่างเยือกเย็นก็ตามมาทางเดียวกับเส้นทางในถ้ำที่คุณค้นพบทางออกนั่นแหละเห็นรอยเท้าของคุณทั้งสองละมาที่นี่ดีใจมากรีบแกะรอยมาทันทีเข้าใจว่าจะมาพักกันอยู่บริเวณนี้ปรากฏว่าพอเข้ามาใกล้เห็นคุณสองคนนอนหลับกันอยู่คงอ่อนเพลียมากและที่สำคัญที่สุดก็คือเจ้าหนี่ ก็บุยปากไปทางเสือใหญ่ที่นอนตายอยู่มันเฉยโอกาสตอนที่คุณทั้งสองนอนหลับไม่รู้ตัวย่องกลิบเป็นแมวเข้ามาแต่มันก็ไม่ทันไหวตัวว่าพวกผมตามมาข้างหลังอีกทีหนึ่งและเห็นหน้าการของมันเข้าพอดีมันเฝ้ามองคุณทั้งสองอยู่นานพอสมควรทีเดียวทำให้ผมกับพวกนี้ไม่กล้าขยับขยืขย่นนอกจากซุ่มดูการของมันนิ่งโชคดีที่เราอยู่ใต้ลมมัน นาทีสุดท้ายที่ผมต้องตัดสินใจยิงก็เพราะมันไต่ขึ้นไปบนโขดหินก้อนโน้นและตั้งท่าจะกระโจนลงตะครุบเพราะมันเพลนผมก็เหนียวกายก็แค่นั้นเองคริสติน่าหลับตาลงอีกครั้งส่วนเชอร์บุธหัวเราะเสียงไม่สดใสนะสักสกิดแม่เพื่อนสาวดูเถดกริปเราอุตสาหเกปมากายรอดพ้นจากถ้ำนรกออกมาได้แล้ว แต่ในที่สุดก็จะมาตายซะ ง, ง, ง่ายๆตรงตำแหน่งที่เราเห็นทางรอดนี่เองถ้าปานใหญ่ตามมาไม่ทันว่าแล้วเชิดวุฒก็ก้มลงสำรวจดูรอยกระสุนขนาดจุดสีห้าแปดรูเบอร์เร่ที่ทะลุ ก, ก้านคอด้านหนึ่งผ่านออกอีกด้านหนึ่งพร้อมกับจุ ป, ปากโครงหัวยิงในขณะที่กระโจนกระสุนตัดกระดูกก้านคอพอดีเออนัดไหนนัดนั้น เชื่อใจได้เสมอสำหรับมรุเทศนำทางของเรานี่มันเสืออะไรกันนี่ไม่เคยเห็นขนาดจะก็เสือเบงกอลแต่ลายมันพิกลเขาไม่เรียกว่าเสือรอกนายทหารไ อ, อ้ยังงี้่ะเขาเรียกสางบุญคำสอดมาดังๆสางอะสางอะไรกันบุญคำหมายถึงเสือชนิด กรนที่อยู่มานานแล้วก็แก่เต็มทีจนกระทั่งหมดลายริ้วดำเหลือแต่พื้นสีเหลืองฟางอย่างไอตัวที่เราเห็นอยู่เนี่ยครับชป่าจะเรียกมันว่าสางความจริงมันก็คือเสือที่แก่มากๆนั่นแหละคุณระพินบอกเบาๆเชิดบุตรเพิ่งจะเข้าใจลืมตาโตครางออกมาว่าอ๋องั้นเหรอแต่ทั้ที่เห็นอยู่นี่ ไม่เห็นจะบอกท่าเลยว่ามันเสือแก่ฟันฟางขี้เล็บยังสมบูรณ์ซ้ำยังใหญ่เหลือขนาดยังกะลูกมา้าอีแบบนี้ขย่ำกลุ่มเดียวคำหมองเละเลยนี่แต่คุณก็สองคนนี่ไม่ตามตามมาช้าอีกวินาทีเดียวผมกับคริสทั้งๆ ท, ที่รอดมาได้แล้วแต่ก็จบสิน้นเกมก็นอยู่ตรงนี้เองเฮ้ยจะประคุเน้ยโชคดีเหลือเกิน จันเห็นมันก่อนอึดใจใหญ่แล้วแต่พรนใหญ่ห้ามไว้บอกให้ดูท่าทีมันก่อนมันอาจจะไม่ทําอะไรนายทหารกับนายแหม่มที่กําลังหลับอยู่ก็ได้ที่ไหนได้มันจะขมั่นจริงๆแหละแกก็เลยตัดสินใจยิงตอนมันกระโจนถ้านัดนั้นผิดนายทหารหรือไม่กับแหม่มคริสตายไปแล้วจันบอกปนเสียงหัวเราะเชิดบุตคงโคลงหัวอยู่เช่นนั้น มองดูเขาด้วยสายตาบ้องแบวโทรับพินนะรพินทำไมคุณไม่ซัดมันสะก่อนเลยตอนที่เห็นมันป้วนเปียนเข้ามาต้องรอมันโ ด, ดิตุ๊กใสเราสะก่อนผมก็ไม่อยากทำเสียงอึกระทึกกระโคลมโดยไม่จำเป็นเพราะเห็นคุณทั้งสองกำลังหลับอยู่สังเกตดูว่าคุณคงจะอ่อนเพลียมากจึงอยากแช่พักกันใช้เต็มอิ่มก่อนแม้ผมจะตามมาพบแล้วก็ตาม ไอเสือตัวนี้มันเลี่ยงไปทางอื่นผมก็จะไม่ยิงแล้วก็จะปล่อยให้คุณทั้งสองนอนจนกว่าจะตื่นเองและเห็นพวกผมมาร่วมด้วยอยู่แล้วนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมผมถึงไม่ยิงแ้่แต่แรกเห็นไงเขาตอบเรียบๆพวกเราคนอื่นเป็นไงบ้างคะรพินคริสติน่าถามขึ้นโดยเร็วภายหลังพอจะระ ง, งับความตื่นเต้นลงได้และเลือกสนใจกับเสือใหญ่ตัวนั้น เชิดบุตรก็เพิ่งนึกได้จ้องเขาเขม็งจอมพลางยิ้มขรึมๆทุกคนของพวกเราปลอดภัยเรียบร้อยดีครับโปรดจะห่วงครับมีบาดเจ็บกันมั่งกับคนละเล็กละน้อยไม่เท่าไหร่นักเรกตั้งแต่หินถล่มเมื่อเย็นวานก็มีคุณกระเชิดบุตรเท่านั้นแหละที่หายสาบสูญไปใต้ก้อนหินถล่มทําให้พวกเราเป็นห่วงกันมากผมสังเกตดูคุณสองคนนี่ถึงแม้จะปลอดภัยก็สะบักสะ บ, บอมเหลือเกิน โปรดนั่งพักผ่อนก่อนเะครับเพระเดี๋ยวผมจะเรียนให้ทราบโดยละเอียดทั้งทางด้านฝ่ายผมแล้วก็ขอทราบถึงทางด้านฝ่ายคุณสองคนบ้างครับกล่าวจบเขาก็ประคองแขนคริสและเชิดบุตรให้กลับไปนั่งพักใต้ร่มเงาศัพ์ใหญ่ตามเดิมทั้งหมดชุดกายลงนั่งหันหน้าเข้าหากันเป็นวงกลมรวมห้าคนบรรยากาศมันตึงเครียดสัางสิ้นไปแล้ว เหลือไว้แต่เฉพาะความพิษสวงสงสัยของแต่ละฝ่ายที่เพิ่งจะมาพบกันเท่านั้นซึ่งมีเรื่องที่จะต้องซักถามอธิบายกันมากระพินสำรวจดูสีหน้าและสภาพของทางร่างกายบุคคลทั้งสองที่เขาเพิ่งตามมาพบอย่างละเอียดที่สุดแล้วถอนใจเฮือเรากระยกภูเขาออกจาก อ, อกแต่ถึงกระนั้นก็ยังอดรู้สึกสงเพศไม่ได้จากสภาพของเสื้อผ้าที่ทั้งสองสวมใส่อยู่ เพราะมันขาดวิ่นกระรุ่งกระริง่งแทบไม่มีชิ้นดีเชิดวุฒเป็นผู้ชายก็ไม่เท่าไรนักแต่คริสตินา่าแม้จะเหลือให้เห็นว่ามีเสื้อและกางเกงชุดเดินป่าอยู่แต่ก็แทบจะปิดผิวสีชมพูตำแหน่งอันล่อแหลมไว้ไม่ได้ใบหน้าก็เต็มไปได้วยริ้วรอยของหินบาดและกระแทก บ, บางแห่งเลือดซิฟเป็นบาดแผลและบางแห่งก็ช้ำเขียวอยู่ทั่วไป แต่ยามนี้หล่อนไม่กังวลต่อสภาพของร่างกายตนเองใดๆทั้งสิ้นแววตาสีฟ้างามเป็นประกายขึ้นลักษณะท่าทีของหล่อนในยามนี้ไม่มีแววของความไวตัวหรือว่าซ่อนคมลึกลับใดๆอย่างที่เคยเห็นเหลืออยู่เลยนอกจากประกายแห่งความยินดีที่ได้พบกับการติดตามของฝ่ายเขานิรพินคุณจะปิดบังเรานะด็อตอร์สเตลลีย์ คิดแล้วก็เบร์ยังอยู่เรียบร้อยดีเหรอ่อนพยายามถามไปถึงตักพวกอย่างห่วงใหญ่ผมไม่ปลดคุณนะคริสพวกคุณทั้งสามคนยังอยู่แล้วก็ปลอดภัยแน่นอนอยังช้าก่อนบ่ายสี่โมงเย็นที่จะถึงนี่คุณจะได้พบเห็นพวกเขาซึ่งไปคอยอยู่ที่ห้วยเสือร้องรอรับฟังข่าวของคุณสองคนอยู่แล้ว เรือพอเราเริ่มออกเดินทางให้พ้นจากบริเวณอับคลื่นวิทยุนี่ออกไปสักนิดหนึ่งเราก็จะใช้วิทยุติดต่อกับพวกเขาเรื่องหน้าได้เลยว่าแต่เชือ่ะผ้าของคุณน่ะกายเป็นเศษผ้าไปหมดแล้วมีชุดสำรองมาด้วยหรือเปล่าคุณประโยคหลังเขาถามคริสติน่ายิ้มซึมๆฉันก็มีสำรองอยู่ชุดหนึ่งในเครื่องหลังแต่ตอนนี้ช่างมันก่อนเถอะ เอาไว้อาบน้ำซะก่อนแล้วฉันจะเปลี่ยนใหม่ไม่ติดตายอยู่ในถ้า น, นั่นก็นับพ่บุญที่สุดละและเมื่อทราบจากคุณว่าพวกเราทุกคนปลอดภัยก็ยิ่งดีใจที่สุดกล่าวจบหลอนก็ส่งมือมาให้เขาแระพิน ย, ยังไม่เข้าใจนะักแต่ก็ยื่นมือส่งให้ริตินาจับบีบกระชับแล้วสั่นแรงๆพูดช้าๆว่าต้านกิ่ Thank you for everything you are great really great ไรพินสันสีศะชา้าช้าไม่หรอกคริสมันเป็นหน้าที่ของผมอยู่แล้วนะคริสไม่จาเป็นที่คุณจะต้องมาขอบ อ, อกขอบใจอะไรหรอกถึงผมเองก็ยังระลึกถึงบุญคุณของคุณอยู่เสมอไม่เคยลืมตอนที่ผมตกเขวคุณไต่เชือกลงไปช่วยหิ้วเอาผมขึ้นมารวมทั้งช่วยเยียวยารักษาพยาบาล คุณเองกับคุณเชิดวุฒก็ยิ่งใหญ่เหมือนกันหาไม่เช่นนั้นก็คงแสวงหาทางรอดจากใต้ทำนรกนั้นออกมาสู่โลกภายนอกไม่ได้หรอกผมตามพบคุณทั้งสองก็จริงแต่เป็นการตามพบภายหลังจากที่คุณทั้งสองแสวงหาทางออกได้เองแล้วและถ้าแม้ว่าผมตามผมไม่ตามมาและถ้าแม้ว่าผมไม่มาตามหรือผมผิดทางไปทางอื่น คุณสองคนก็ต้องแก่รอยตามไปจนพบพวกเราส่วนใหญ่ได้เองเพียงแต่ว่าจะช้าหรือเร็วเท่านั้น <c oughs> ใช่ๆชเชิดบุตรพยักหน้ารับหน้าตาเฉยถ้าหากว่าทั้งผมและคริสจะไม่ถูกไอเสือหรือสางตัวนั้นขย่ำเป็นเหยื่อไปสะก่อนตอนที่เราหมดแรงนอนหลับ ก, กันไปโดยไม่รู้ตัวฮึรอดตายจากใต้ถ้ำหินกลบ แต่โผลก็ามาเป็นเหยื่อเสือพระชะล่าใจว่ารอดตายออกมาได้แล้วคุณนั้นไม่รู้สึกอะไรหรอกประพินเพราะเห็นเป็นเรื่องธรรมดาใชแล้วแต่สําหรับผมและครนะิสตะยืนยันอีกครั้งนะว่าการเห็นหน้าคุณน่ะเหมือนเห็นหน้าพระเจ้ามาโปรดนั้นแหละคุณมีสิทธิ์ที่จะไม่รับคําขอบคุณจากเราแต่คุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะห้ามความรู้สึกขอบคุณของเราในการตามมาช่วยเหลือได้อย่างทันการ เรียกว่าชั่วเซี่ยวของวินาทีเท่านั้นขณะที่ไอเสือระยำตัวนั้นโดดเข้าใส่เราโดยที่เราไม่ทันรู้ตัว